พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนฟังบ่อยๆเวอ๊ะวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรผมว่าผพูดอยู่เรื่องเดียวเรื่องซ้ซําๆเรื่องเดิมๆเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็อยากใจทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแก้ทุกข์โดยเฉพาะทุกทางใจทุกทางกายเนี่อันนี้จริงแล้ว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 หลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเน้นเรื่องการช่วยตัวเองเป็นหลักอ้อนวอนอนี่ไม่ใช่พุทธศาสนานะอธิษฐานนี่ต่างกับ อ, อ, บอนะ้อนวอนนะอธิษฐานนี่จิตตั้งมั่นอธิษฐานบรารมีกันจิตตั้งมั่นส่วนอ้อนวอนนั้นบางทีไม่ทํานะแต่ขอให้ได้ซึ่งไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาสาระสําคัญก็คือมีเรื่องเดียวสติเนี่ยจะช่วยตัวเองได้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 รู้สึกล้วนๆประสบาการณ์ปรุงแต่งเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้รู้สึกจบละก้าวขาแต่ละก้าวแต่ละครั้งแต่ละก้าวให้รู้สึกก็จบไปในตัวหายใจเข้ารู้สึกก็จบหายจะออกรู้สึกก็จบบางคนสงสัยปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย <c oughs> มันได้เกินได้แล้วนะ่ะแค่ฟลิกมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันได้แล้วนะ การไปดวดไม่แค่นี้ฟิกมือแล้วก็รู้สึกโอได้แล้วแต่ต้องได้ทําบ่อยๆให้ต่อเนื่องนานๆมันจึงจะสมบูรณ์ค่อยๆเก็บเกี่ยวเก็บคะแนนความรู้สึกแต่ละขณะขณะขณะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมื่คะแน น, นเต็มอย่าใจร้อนกายเคลื่อนไหวรู้สึกเวลาจิตมันคิดมันนึกรู้สึกในความคิดก็ได้แล้วแต่เราไปสรุปการได้นั้นต้องถึงที่สุดเลย เราจะเดินไปปากซอยเนี่ยเราต้องเดินหลายก้าวจึงจะถึงเดินก้าวเดียวจใจถึงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั้นต้องสะสมการก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ต้องหวังว่าจะถึงเมื่อไหร่การถึงมันก็เกิดขึ้นเองได้เมื่อเราเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวไกายครั้งหนึ่งรู้สึกครั้งหนึ่งก็ได้ละสะสมไปแค่เนี้ทําเรื่อยเรื่อยให้รู้เฉยอย่างงี้แหละรู้ใ้ต่อเนื่อง อย่าลืมรู้มันหลงไปมันเผลอไปก็รู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกกันแล้วกันรู้ถ้าที่เรารู้ได้การปฏิบัติถ้ารู้งี้เรื่อยเรื่อยเนี่รู้เฉยเฉยเนี่ยต่อไปมันจะเข้าถึงฐานแท้ของจิตคือรู้เฉยเฉยเป็นปกติร่างกายทุกคนต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ละครั้งอย่าเคลื่อนไหวฟรีฟรีอย่ากระพริบตาฟรีฟรีให้เติมความรู้สึกเรไปด้วยเราจะได้ไม่ขาดทุน คิดแต่ละครั้งก็อยากคิดฟรีๆคิดจบแล้วให้มันรู้สึกด้วยเวลามันเกิดความทุกข์เกิดความโกรธอย่ากโกรธฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆมันเสียประโยชน์ให้รู้สึกได้ต่อไปเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเต็มเต็มเต็มอารมณ์ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปเองระวังนะทํา น, นานๆจะหาอารมณ์ไม่เจอจะหาความคิดไม่เจอ ก, กลายเป็นคนคีดเกียจคิดแต่ไม่คิดเกียจรู้สึกมันเป็นไปได้แต่การรู้สึกเนี่ย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 อย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้นจิตมันก็จะผ่อนคลายและเราจะรู้ทําไมสงสัยเราจะรู้สึกตัวมันาทำไมก็รู้เพื่อป้องกันความหลงทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยความหลงมันก็หายไปถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็เข้าแทรกสองสภาวะเนี่ยมันรอกันอยู่ถ้ารู้แล้วมันก็จะไม่เกิดความหลงพอรู้ต่อเ น, นื่องกันนานจิตมันจะตื่น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 แต่พอจารสติให้ตอนเนื่องจิตมันตื่นออกจากอารมณ์ไม่หนีไปไหนก็เห็นอารมณ์เห็นแล้วอารมณ์ก็จะดับไปเห็นความไม่มีตัวตนของกายของจิตของอารมณ์ใครเจารสติแบบนี้มันก็ต้องเห็นแบบนี้แหละมันเป็นทางเดียวกันคนที่ทำถูกต้องเนี่ยจะสังเกตดูนะจิตมันจะผ่อนคลายจะไม่เคร่งเครียดมันจะมีความเบิกบานจะขยันทาแบบไม่อยากจะเลิก ขยันทํารู้สึกตัวเมื่อไหร่เลิกขึ้นได้ก็จะรู้สึกทันทีเลยเป็นไปเองแต่คนที่ทําไม่ถูกต้องนี่มจะเครียดจะสงสัยจะคิดจะขี้เกียจจะจะ่ายหารเรื่องจะไม่ปฏิบัติมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยกิเลสซึ่งเหล่านี้ยนะมันรู้ได้เฉพาะตนอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีรูปแบบนะส่วนที่คนที่มีรูปแบบนี่ก็ถือว่าดีรูปแบบนี่จําเป็นนะ จำเป็นมาสสาหรับผู้ที่ปึกใหม่ๆอาศัยรูปแบบรูปแบบเนี่ยดีที่ว่ามันช่วยทำให้การปฏิบัติเนี่ยต่อเนื่องกันได้นานรูปแบบทำให้เกิดการต่อเนื่องแล้วก็ระวังจิตแม่มันเฉใช้ไปกับกิเลสรูปแบบทำให้เกิดระเบียบในการปฏิบัติคำว่ารูปแบบเนี่ยก็คือการกระทัมรูปแบบที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่นลมหายใจก็เป็นรูปแบบ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 เดินอยู่ที่หน้าห้องน้ํขนาขณะเดินจงกรมอยู่กะตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงโดยจงกรมเสร็จก็จะนอนหนึ่งชั่วโมงพอเริ่มโดนได้สักเที่ยวเดียวน่นะจิตเริ่มเฉยใจแล้วได้ยินเสียงน้ําหยดแมแม่ในห้องน้ําเดินออกจากลานจงกรมไปปิดน้ําแล้วเข้ามาเดินใหม่นึกขึ้นได้อ้าวนี่มันหลงไปปิดน้ำแล้วมาลุยตัวทีก็มาเดินจงกรมต่อรอบที่สองสังเกตไหมจิตมันชอบเฉยใ คือปัญหาเรื่องยีตับนอกจากการจระเข้ติมันจะขยันตอนนั้นอ่ะอีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขยนันเรื่องนู้นก็นยังไม่ไทำไอ้นี่ก็ต้องทําตอนที่ไม่เดินจงกรมไม่ได้คิดหรอกแต่รเดินจงกรมแล้วคิดไอ้นู้นก็นต้องทําแล้วก็เผลอไปทําก็เรื่องนิดหน่อยที่ไม่น่าทํามันเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดนะแล้วกลับมาเดินจงกรมต่อก็มีนะมันเลยไปเปิดทําไมนี่ขนาดมีรูปแบบนะเนี่ผมก็เคยขนาผมไปไม่ไดนะ้นอนอยู่บนเตียง ครูบาอาจารย์ให้กรมาฐานมาก็นอนทำนอนพลิกมือรู้สึกตัวก็ทำท่าจะนิ่งดีหรอกหันไปทางหน้าต่างมองหน้าต่างจิตส่งออกเออหน้าต่างนี่มันสามบานเปิดไม่เท่ากันไอ้บานกลางนี่มันเปิดน้อยหน่อยส่งไปแล้วนะพลิกตัวพยายามดึงหน้าต่างมให้พอดีกันไปดึงมาได้สันอนพลิกมือมันเข้ามาลึกเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องออกไปหน่อยจะเสมอกัน อา้าวพลิกตัวไปดึงอีกแล้วก็รีบมาปฏิบัติต่ อ, ตอกลัวจะไม่ได้ปฏิบัติดึงมาขั้นที่สองขั้นสามดูเอสสามบาล น, นี่บานกลางมันตรงไอ้บาล น, นู้นมันไม่เท่ากันมันวุ่นวายอยู่กับหน้าต่างต้องนานจึงรูุ้ตัวว่าอ๋อนี่เราเผลอเพราะโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ชอบทําอะไรซ้ำๆพอทําอะไรซ้ำํำๆนี่มันจะเบื่อละหาทางเลิกหาทางออกนะสังเกตไหมกิเลสมันไม่ชอบไม่ชอบอะไรซ้ําๆเดิมๆมันจะเปลี่ยน เนี่ยขนาดผมลุกไม่ได้นะยังหาเรื่องขยับไปขยับมาหาเรื่องทําอยู่นั้นแล้วเนะนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่าจิตนี่มันถูกปรุงแต่งปรุงแต่งให้ทําตามใจกิเลสเพราะฉะนั้นรูปแบบการปฏิบตัติมันช่วยมันช่วยรักษาการปฏิบัติเนีต่อเนื่องได้นานไม่เฉยายตามกิเลสได้ง่ายๆไม่จะไปสักครั้งสองครั้งก็เริ่มรู้แล้วอันนี้รูปแบบนะถ้าคนที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบเนี่ยเห็นไหมบางทีเราหลงไปตั้งนาน ถ้ายังไม่ชํานาญก็ลองอาศัยรูปแบบไปก่อนแล้วต่อไปแล้วค่อยวางมันรูปแบบก็ติดมันไม่ได้ค่อยๆวางแล้วลองทําดูโดยที่ไม่ต้องใช้รูปแบบเพราะฉะนั้นช่วยได้เนี่ยหลายคนมาจิตใจฟุ้งซ่านก็ลองทําในรูปแบบดูหลายคนพอคิดว่าสงสัยว่าออกลัวเราจะไม่ไปฏิบัติก็ลองทําในรูปแบบดูบางทีมาเกิดประโยชน์แม้แต่ความง่วงนะสังเกต ด, ดูดีนะความง่วงเนี่ยเวลามาเกิดความง่วงเนี่ยเราช่วยตัวเองนะอย่าเพิ่งหยุด ทำไปก่อนไม่ใช่ง่วงแล้วก็นอนอย่าเพิ่งนะรู้ว่ามันง่วงแล้วนะทาไปก่อนลองฝืนดูก่อนมันมีความง่วงอยู่สองแบบง่วงทางกายกับง่วงทางจิตเคยสังเกตหมไอ้ง่วงทางจิตเนี่ยมันอยากง่วงทางกายมันต้องการร่างกายต้องการทางง่วงทางกายเนี่ยลองฝืนทาดูนะยิ่งทาบันทีมันมึนตึบล่างหน้าล่างตากนแล้วเคลื่อนไหวเร็วๆก็แล้วมันก็ยังไม่หายง่วง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 สอนว่อาอ้าวถ้าใครง่วงเอานอนท่าสีหาสายญาติให้นอนท่าสีหาสายญาติเอาทุกคนลงนอนแบบพระนอนอะ่ะตะแคงขวาตอนแรกก็ทำท่าสีหาสายญาติ ด, ดีหรอกพอเผลอหลับปับ๊บายทองเป็นผีไรญาติเลยซึ่งสมัยนี้เนี่ยคงจะทำไม่ได้หรอกนะถ้าการปฏิบัตินี่มันง่วงมากๆมันหมวยจริงเนี่ยพักสักงีบหนึ่งเอาให้เขาหน่อยหนึ่งงีบเดียว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 อันนี้ร่างกายต้องการหรือจิตใจต้องการคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันกายเท่าทันใจเราเรื่องของกายแค่ไหนจึงจะพอดีสาหรับเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจแม้แต่ทุกขเวทนาเนี่ยอย่างเวลานั่งเนี่ยเห็นมบางคนต้องขยับไปขยับมาก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหะคือร่างกายร่างกายมาต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขร่างกายต้องแก้ไขต้องช่วยเหลือก็ ทุกเวทนานี่สําคัญนะต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะจิตมันอยากเปลี่ยนหรือทุกทางกายมันบีบคั้นอย่าเปลี่ยนเพราะความอยากถ้าเปลี่ยนเพราะความอยากแล้วก็ทําตามกิเลสทําตามอารมณ์ถ้าเปลี่ยนเพราะว่าอ๋อล่างกายต้องการสมควรเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยสติเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมต้องทําด้วยตัวของเราเองอย่าทำเพราะมีอารมณ์มาบีบคั้นอยู่เพราะชอบไปเพราะเกลียด น, นั่นเราก็แพ้อารมณ์ตัวเอง เมื่อสมควรอยู่ก็อยู่เมื่อสมควรไปก็ไปด้วยตัวของเราเองไม่ใช่มีอารมณ์มันําหน้าบีบคั้นเราต้องบังคับใหเราไปไม่ใช่ต้องไปด้วยตัวของเราเองอันนี้คือการปฏิบททัติธรรมรู้เท่าทันจิตก็ตรงนี้แหละก็เวลามันเกิดทุกขเวทนาลองดูเวทนาดูบ้างสิเคยดูเวทนาไหมทุกขเวทนาทางกายดูแลสนุกนะเกิดปัญญาหลายคนสาหรับคนที่มีโรคประจาตัว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 ไม่ต้อไปสังเกตอะไรสังเกตเวทนาตัวเองมันเกิดทันทีแต่ก่อนหดหดไปยามหายามารักษาเาหมอรักษาทานยามันก็ไม่หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกแทนที่จะไปรังเกียจมันเอามันเป็นเครื่องมาลึกรู้ซะรู้ในเวทนามันก็เป็นฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเมือนกันเอาทุกขเวทนา เ, าเวทนามเป็นที่ตั้งของสติก็ดูได้ตลอดก็ลองฝึกดูได้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 ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นทุกขเวทนาทแล้วเรากลายเป็นผู้ ด, ดูเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกดูไปเห็นไม่มมันเริ่มแยกแต่สำคัญถือต้องเข้าไปถึงความรู้สึกตัวเสก่อ น, นมันรู้ใเฉยมันแยกเวทนาส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งบางทีเห็นร่างกายเนี่มันกระสับกระส่ายแต่จิตใจไม่ได้กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นรู้อยู่เฉแต่ร่างกายนี่กระสับกระส่ายมาก ก็เห็นอยู่แต่ว่าการรู้เนี่ยต้องรู้เฉยๆนะรู้แบบยอมรับไม่ต่อต้านไม่ว่าอะไรจะเจ็บจะปวดจะไม่ว่าอะไรรู้เฉยๆจะรู้อยู่งี้แหละมันก็ไปในโคระคั่วเวทนาก็าทำหน้าที่แสดงตัวไปจิตผู้รู้ก็าทำหน้าที่รู้ผู้สังเกตเมื่อจิตมันรู้จักยอมรับจิตมันก็ผ่อนคลายมันก็สงบไปเองแล้วทุกเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เบาลงไม่ทุรนทุราย สังเกตไหมเวลาเราปวดศีรษะถ้าเราไปงุนหงิดเนี่ยมันยิ่งปวดหนักปวดฟันยิ่งงุนหงิดยิ่งปวดหนักแต่ถ้าเราลูช้เฉยเนี่ยมันเบาลงถ้าเรายิ้มปวดดีเนาะมันก็ทําให้ความทรมานมันลดลงไหนใครเคยโดนหมอนวดนวดมหมอนวดจับเส้นนอะถึงเส้นเลยนะจับถ้าจับป้าเราล้องโอยเนี่ยหมอนวดจับเยอเลยถ้านะถูกเส้นกดใหญ่เลยเราทำเฉยๆ ลุทําม่ได้ทำยิ้มยิ้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยเทคนิคในการไม่ถูกนวดนานถ้ายิ่งกดลองโอยนี่มากูกี้เลยกดใหญ่เลยถ้าเราทําใจเฉยยิ้มยิ้มมันเจ็บดีเนาะเดี๋ยวเขาผ่านเลยใจแล้วก็เหมือนกันเมื่อเจอทุกขเวทนายิ้มยิ้มอยู่ข้างในบ้างสิมันทําให้ทุกขเวทนาลดลงไปได้ใจก็ดีไหมมันเกิดปัญญาทุกเนี่ยสอนธรรมได้ดีมากเลยทุกเนี่ยเป็นครูสอนธรรมเลย พีออน้อยเวลาเราเกิดความทุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะดิ้นมันจะกระตือหรือล้นอย่างนี้ไม่มีทางง่วงคนที่ขี้ง่วงเนี่ยลองนั่งนานๆเนี่ยนั่งไปปวดนานเนี่ยมันง่วงไม่ได้แล้วมันกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงได้นะทุกเวทนาเนี่ยกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงและทาให้เกิดความอดทนมีสติแล้วก็มีขันติมันตื่นรู้ในทุกได้เลยสติตื่นรู้ในทุกข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 จิตมันคิดสลรพัสปรุงแต่งบางทีมันน้อยอกน้อยใจบางทีโทษคนโน้นคนนี้ทุกของเราแท้แต่ไปโทษคนอื่นสังเกตดูนะคนที่อยากเห็นจิตที่มันคิดน่ดูต่อจากทุกขเวทนาก็ได้มันจะชัดเจนเลยมันเกิดปัญญาเห็นความคิดโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดหลวงพ่อคำเขียนตั้งก็สอนเสมอว่าเวลาจารสติดูกายเคลื่อนไหวให้ดูไปเรื่อย ดูกายไปเรื่อยเรื่อยเรื่องความคิดเรื่องจิตอย่าไปหาดูมันเดี๋ยวมันก็คิดเราดูมาเองจะเห็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเกิดขึ้นมาขณะที่เราดูกายอยู่ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดท่านบอกว่ามันเป็นลักคิดลักคิดที่หลว่อเขาเขียนเทก็คือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเห็นความที่เป็นลักคิดขึ้นมาเมื่อรู้กายไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นความที่เป็นลักคิดขึ้นมาเห็นลักคิดโดยที่ไม่ตั้งใจคิด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 รู้ต้องละเรื่องของกายต้องช่วยเหลือแต่เรื่องของจิตมันต้องละเพราะจิตเนี่ยมันชอบเ ฉ, ฉยเฉยตามใจกิเลนต้องละมั น, นต้องรู้ให้ทันตัวเราและสิ่งเหล่านี้ใครจะบอกเราได้เราต้องปฏิบัติตัวเองต้องช่วยตัวเองนักปฏิบททัติธรรมเนี่ยอย่าหวังพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้มากเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเราต้องฝึกนิสยัย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 ในรูปแบบอย่าติดในสถานที่แล้วก็อย่าติดในครูบาอาจารย์ด้วยมันทำให้เราคิดสับสนหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่าความสงบคือการหยุดหยุดสแสวงหาครูบ า, าจารย์จิตจึงจะสงบผมยังชอบบทธรรมคำกรรของท่านอาจารย์ G จี้กงได้ทำมาท่องให้ฟังเออดีเนี่ยคำกรบทนี้เนี่ยน่าจะมาเผยแผ่ท่านจารย์บอกว่า